บทที่เกเทพภูพิทักษ์ตลอดระยะเวลาอันยาวนานแห่งประสบการณ์ของข้าพเจ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งอธิบายได้ยากมากคือบ่อยครั้งมักมีผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยวิธีต่างๆอาจจะเป็นเพราะท่านเหล่านั้นอยู่กับข้าพเจ้าตลอดเวลาโดยที่ข้าพเจ้าไม่รู้ตัวก็ได้ แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่สามารถทราบได้ว่าท่านเป็นใครและที่ท่านช่วยข้าพเจ้าเป็นบางครั้งนั้นมีเหตุผลอย่างไรจะว่าท่านเหล่านั้นเป็นเทพพ ย, ยดาผู้พิทักษารักษาตัวข้าพเจ้าก็ดูออกจะมากไปหน่อยแต่บางครั้งอาจจะคิดเช่นนั้นก็เป็นได้ข้อที่ประหลาดก็คือเวลาที่ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลืออย่างที่สุดบางครั้งท่านก็คล้ายกับจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสเฉยๆ ส่วนอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเท่าไหรเท่าไรท่านก็มีเห็นเอาเป็นธุระจริงอยู่มีบางครั้งที่จะรับความเดือดร้อนทางใจและตะโกนขอความช่วยเหลือมากๆเข้าท่านก็มาเหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วท่านมักให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่ได้ขอความช่วยเหลือเลยหรือว่าไม่ได้นึกจะขอความช่วยเหลือเสียด้วยซ้ําไปสรุปแล้วก็คือดูเหมือนท่านจะตัดสินใจของท่านเองว่า ควรจะให้ความช่วยเหลือหรือไม่ซึ่งทางนี้ไม่ได้พิจารณาถึงความจาเป็นหรือสถานการณ์ของข้าพเจ้าเลยจะว่าท่านเหล่านี้เป็นเพื่อนก็คงไม่ถูกต้องนักคือหมายความว่าไม่ใช่เพื่อนฝูงที่อยู่ในฐานะเสมอกันแต่ท่านก็แสดงความเห็นอกเห็นใจข้าพเจ้าเป็นอย่างดีท่านมีความรู้และมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือข้าพเจ้าทุกครั้งข้าพเจ้ามีคิดว่าท่านจะทาอันตรายข้าพเจ้า และดังนั้นข้าพเจ้าก็เชื่อใจท่านอย่งเต็มเปี่ยมการที่ท่านให้ความช่วยเหลือโดยมากก็เป็นไปอย่างไม่สู้จะเปิดเผยนักตัวอย่างเช่นมือที่ช่วยพยุงข้าพเจ้าขึ้นเขาไปหาดรอกร์ชอลที่บ้านของเขาในบทที่สมซึ่งก็ทาให้ข้าพเจ้าซึ่งรู้สึกว่าอ่อนเพลียกาลังจะหมดแรงได้บรรลุผลสมความตั้งใจครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ส่วนมากข้าพเจ้าไม่สามารถรู้และเห็นว่าใครเป็นผู้ช่วยเหลือพยุงขึ้นไปอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เล็กน้อยข้าพเจ้าเห็นภาพใครคนหนึ่งแบบหนึ่งนั่งคัดสมาที่คล้ายๆกับแบบโยคะมีเสื้อคลุมและมีที่คลุมศีรษะด้วยจะเป็นไปได้ไหมคิดว่าท่านผู้นี้คือผู้ช่วยเหลือพยุงข้าพเจ้าในครั้งนั้นในบทที่สิบคือบทต่อไป ชายสวมเสื้อคลุมมีหน้าและดวงตาซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเคยเห็นมาแล้วแต่นึกไม่ออกว่าเป็นใครที่ไหนได้มาช่วยข้าพเจ้าตามคำขอความช่วยเหลือในการไล่จ้าพวกทากรือกาฝากออกไปน่าแปลกคือทันทีท่านมาช่วยข้าพเจ้าก็มีเห็นท่านเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของข้าพเจ้าในตอนนั้นแต่อย่างใดท่านไม่ได้หันมาพูดปลอบหรือให้กำลังใจแสดงความเห็นใจอย่างใดเลยคือมาช่วยแล้วก็ไปเฉยเฉยอย่างนั้นเอง ข้าพเจ้าไม่เคยได้เห็นผู้ที่ช่วยพาข้าพเจ้าไปหาด็อกเอรอดอนในโลกที่สองซึ่งกล่าวไว้ในบทที่หรู้สึกแต่เพียงว่ามีมือมาพยุงโตวไว้และได้ยินเสียงเท่านั้นเองต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เป็นแบบเดียวกันคือเมื่อข้าพเจ้าแสดงความปรารถนาจะไปหาเขาอีกก็มีเสียงพูดที่ได้ยินว่าไปหาครั้งหนึ่งแล้วจะไปอีกทาไมแม้ข้าพเจ้าเองก็อดแปลกใจตนเองไม่ได้ว่า ทำไมตอนนั้นจึงไม่หันไปดูหน้าผู้ช่วยเหลือให้เห็นชัดเสียรมันคล้ายๆกับว่าในตอนนั้นเราถือว่าเป็นของธรรมดาไปเลยลืมคิดถึงเรื่องอื่นไปหมดแต่ชายหนุ่มสองคนอุ้ผัทข้าพเจ้าไปที่อาพาร์ตเมนต์หลังจากการประชุมทรงวิญญาณ น, นั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่น่าจะจัดเข้าในประเภทเทพพ ย, ายดาผู้รักษาตัวเหมือนในกรณีอื่นๆ เพราะเขามาในเรื่องนี้โดยเฉพาะและไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องอื่นอีนอกเลยจึงเป็นเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งว่าในบรรดาผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าหลายเจ้หลายคราวนั้นดูจะมีอยู่ครั้งเดียวที่ข้าพเจ้าพอจะบอกได้ว่าเป็นผู้เดียวกันและมาเป็นครั้งที่สองในระหว่างที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมแอกนิวบานสันในโลกที่สองซึ่งกล่าวไว้ในบทที่หนั้นมีใครคนหนึ่งพยุงข้าพเจ้า เพื่อให้เห็นเขาชัดเจนขึ้นตอนนั้นรู้สึกว่ามีมืออันแข็งแรงมาจับข้าพเจ้าไว้แน่นทั้งสองข้างแต่ก็เป็นการจับอย่างสุภาพนิ่มนวลเมื่อถึงเวลาจะต้องกลับมือทั้งสองนั้นก็หมุนตัวข้าพเจ้ากลับเช่นเดียวกับคนตาดีหมุนตัวคนตาบอดให้หันไปทางทิศที่ต้องการฉะนั้นความรู้สึกในครั้งนั้นยังคงอยู่ในความทรงจาอย่างแจ่มใสจนถึงทุกวันนี้ แสดงว่าในบางครั้งเวลาข้าพเจ้าตั้งความปรารถนาอะไรก็มีผู้คอให้ความช่วยเหลือให้สาเร็จสมประสงค์ไปได้เหมือนกันแต่แล้วพอถึงคราวที่ข้าพเจ้าตกใจจนหมดสติตะโกนกู่ร้องและโสดมนอ้อนวอนขนาดใหญ่ตอนที่ขากลับมาสู่กายเนื้อมาพบกำแพงใหญ่ขวางหน้าอยู่ซึ่งกล่าวไวในบทที่เจ็บนั้นก็มิเห็นมีใครมาให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดอันหนึ่ง เวลาที่ข้าพเจ้าถูกศัตรูโจมตีอย่างทารุณก็ไม่เห็นมีใครเอื้อเฟื้อมาช่วยเหลือหรือว่าท่านอาจจะมาช่วยแล้วแต่ข้าพเจ้ามีรู้กระมังข้อสาคัญก็คือมันมีความแตกต่างกันอย่างไรในสถานการณ์ที่ควรจะมาช่วยหรือไม่ควรท่านเหล่านั้นมีหลักอะไรในการตัดสินใจว่าเราไหนควรมาช่วยและเราไหนควรปล่อยให้ดิ้งรนไปตามลาพังข้าพเจ้ายอมรับว่า ไม่มีทางรู้เลยจริงๆและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อตอนที่ข้าพเจ้ากำลังมีความสุขอย่างทราบซึง้งอยู่กับสภาวะที่อาจเรียกเรียกว่าสวรรค์ซึ่งกล่าวไว้ในบทที่เจนั้นารเป็นคนคอยขยันขยอยอยู่เสมอว่าถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องกลับมาสู่กายเนื้อได้แล้วกล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็คือข้าพเจ้ารู้สึกอะไรอววรมากในการกลับมา จึงไม่ทราบว่าจะขอบคุณท่านผู้นั้นหรือว่าจะเคืองท่านดีแล้วเรื่องเจ้าของบ้านซึ่งจะกล่าวไว้ในบทที่สิองก็ดูไม่น่าจะจัดเข้าเป็นเทพพ ย, ายดาผู้รักษาตัวได้แต่หรือท่านอาจจะเป็นได้กระมังท่านเป็นคนที่ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเห็นอีกรั้งก็ต้องจําได้แน่ท่านมีลักษณะปแปลกกว่าผู้อื่นก็คือทําให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกว่า เป็นผู้มีไมตรีจิตและเมตตาเป็นอย่างดีแต่ข้าพเจ้าก็รู้ดีว่าท่านอยู่สูงกว่าข้าพเจ้าทั้งในด้านอายุและความรู้ในด้านอื่นๆ อ, อีกที่แปลกกว่ารายอื่นๆก็คือท่านปรากฏโตออกมาและเสนอให้ความช่วยเหลือกันตรงๆลักษณะเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ค่อยจะได้ประสบมากนักตลอดระยะเวลาอันยาวนานแห่งประสบการณ์นอกกายเนื้อ หลักอีกนั่นลหละพอถึงเวลาที่อยากให้ใครมาช่วยใจจะขาดก็กลับไม่มีใครมาสักคนเดียวเช่นประสบการณ์ในบทที่12ซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจเพราะรู้สึกว่าตนเองได้เข้าไปอยู่ในร่างกายของคนอื่นอันที่จริงเรื่องเช่นนี้น่านจะต้องมีผู้มาให้ความช่วยเหลืออย่างรีบด่วนทีเดียวแต่แล้วก็ปรากฏว่าข้าพเจ้าต้องใช้ความพยายามดิ้นรนด้วยตนเองแทบแย่กว่าจะหลุดพ้นออกมาได้ สรุปแล้วก็คือเรื่องนี้หาเหตุผลไม่ได้เลยยิ่งคิดก็ยิ่งงงไปหมดต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะให้ท่านอ่านบันทึกของข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอาจจะให้ท่านเข้าใจดีขึ้นบ้าง 1. วันที่14กันยายน1958ตอนเย็นที่เฉลียงบ้านใช้วิธีแบบค่อนคลาย เกิดมีความสั่นสะเทือนแบบความถี่สูงในทันทีลองใช้วิธีกระพือแขนออกและเข้ากายเนื้อครั้งหนึ่งเกิดความขัดข้องเข้ากายเนื้อไม่ได้มีมือสองมือพยุงไว้ที่สะเอวและจับตัวให้กลิ้งเข้าสู่ท่าที่จะกลับเข้ากายเนื้อได้ข้าพเจ้าส่งจิตขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือที่ไม่เห็นตัวนี้แต่ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นใคร 2. วันที่18มีนาคม1962สองตอนบ่ายอ e w ับยูมาเยี่ยมแล้วเราก็ตกลงกันว่าจะพักผ่อนเสียสักหน่อยก่อนถึงเวลาดินเนอร์คืออาหารเย็นประมาณห้าโมงเย็นเราได้เข้าไปพักผ่อนในห้องข้างเคียงกันพอข้าพเจ้าล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับอีดับัยูกำลังถกเถียงกับใครด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าคิดว่า เขาคงพูดกันกับใครคนหนึ่งในห้องโถงแต่ต่อมาอีเดบันยูบอกว่าพอเข้านอนเขาก็หลับทันทีและไม่ได้พูดกับใครก่อนนั้นเลยแล้วก็ไม่เคยคิดปันว่าได้พูดกับใครในระยะเวลานั้นด้วยทันทีที่ได้ยินเสียงการสนทนาดังอุ้ีมาแต่ไกลข้าพเจ้าก็ออกจากกายเนื้อทันใดนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นข้างหลังว่าถ้าคุณคิดว่าอยากจะรู้จริง จะบอกให้ก็ได้พอเสียงนั้นพูดจบลงก็มีใครคนหนึ่งจับแขนข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าก็ยอมให้เขาพาไปด้วยความเต็มใจเราเดินทางไปดูเหมือนว่าจะเป็นระยะทางไกลยอยู่และมาสิ้นสุดลงที่บ้านมื ด, ม, ดมืดถึมถึมหลังหนึ่งความรู้สึกบอกตัวเองว่าที่นั่นเป็นสโมสรหรือสำนักงานอะไรอย่างหนึ่งในห้องทางด้านขวามือมีคนนั่งอยู่เงียบ และข้าพเจ้าก็นึกรู้ขึ้นมาเองว่ามีคนอีกมากอยู่ชั้นบนในขณะที่กำลังยืนคอยอยู่นั้นก็ ค, คกล้ายๆกับว่ามีภาพยนตร์จากกล้องสิบหมิเมตรเริ่มฉายถ้าม้ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างในกรอบสี่เหลี่ยมบนกาแพงหรืออาจจะบนจอก็ได้แบบเดียวกับที่ภาพยนตร์จะเริ่มฉายนั่นเองและทันใดนั้นมีตัวอักษรขาวดาเป็นตัวลายมือปรากฏขึ้นมามีข้อความว่า เพื่อให้ได้ผลทางจิตจงใส่น้ำยาเคมีลงในแก้วน้ำหกหยดข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นจึงชะโงกไปที่เครื่องฉายและพยายามหมุนฟิล์มกลับเพื่อจะอ่านข้อความนั้นใหม่ให้แน่ใจว่าตนอ่านไม่ผิดคลำหาสวิตหมุนถอยหลังอยู่พักหนึ่งก็ไม่พบตอนนี้อักษร น, นั้นหายไปแล้วแต่ครั้นแล้วก็เห็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นฟิล์มภาพยนตร์คลี่ตัวออกลิงอยู่บนพื้น เลยเกิดใจไม่ดีคิดว่าตนทำของเข้าเสียไปแล้วจึงหันกลับมาเข้ากายเนื้อเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องยุ่งยากและก็ได้กลับมาโดยสวัสดิภาพ 3. วันที่สามพฤษภาคม1960ตอนบ่ายข้าพเจ้ากำลังนอนมีความรู้สึกตัวเป็นปกติส่วนความสันเทือนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้หลับตาและกำลังคิดจะลุกออกไปจากกายเนื้อก็พอดีมีมือสองมือถือหนังสือจ่อเข้ามาข้างหน้าในตาที่กำลังหลับอยู่มือนั้นจับหน้าหนังสือรูดให้เห็นแล้วก็หันหนังสือไปมารอบๆดูเหมือนจุดประสงค์ก็เพื่อให้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหนังสือแน่ๆกรั้นแล้วหนังสือก็เปิดออกและข้าพเจ้าก็เริ่มต้นอ่านข้อความในนั้นซึ่งมีใจความว่า ถ้าต้องการให้เกิดสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งก็จำต้องสร้างความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์นั้นๆที่เกิดมาแล้วในอดีตให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือซึ่งคงจะเป็นส่วนของความจำนั่นเองจากข้อความนี้ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าเราควรจะคิดถึงความรู้สึกที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นยิ่งกว่าที่จะไปคิดถึงรายละเอียดปลีกย่อยของเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งมีตัวอย่างให้ไว้ในหนังสือเล่มนั้นหลายตัวอย่างพลันแล้วหนังสือเล่มนั้นก็ถอยห่างออกไปในขณะเดียวกันความสันสะเทือนก็จางลงไปด้วยข้าพเจ้าพยายามเรียกความสันสะเทือนกลับมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลในที่สุดก็ต้องลุกขึ้นมานั่งจดบันทึกข้อความเหล่านี้ไว้สเมื่อวันที่เก้ามีนาคม ห9ึ่กลางคืนข้าพเจ้านอนอยู่ในความมืดโดยมีความสันสะเทือนเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมันเป็นความมืดในลักษณะพิเศษที่ข้าพเจ้าจะเห็นได้แม้ด้วยในตาที่กำลังหลับอยู่ต่อมาความมืดก็ค่อยๆจางหายไปที่จุดจุดหนึ่งปรากฏมีแสงสว่างเข้ามาแทนที่คล้ายๆกับเมฆที่ค่อยๆแยกตัวลอยห่างออกไปจากกันฉะนั้น จากนั้นก็มีแสงสว่างพุ่งมาจากที่ใดที่หนึ่งเนือศีรษะของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลานี้ข้าพเจ้ายังได้ยินเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านทุกอย่างและก็ยังรับรู้ถึงการและอวกาศของโลกนี้ด้วยดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าจิตใจข้าพเจ้ายังทำงานอยู่ในโลกนี้โดยมีความรู้สึกตัวหรือมีสติอยู่ตลอดเวลาตอนนี้จะเริ่มตื่นเต้น แต่ก็พยายามระ ง, งับใจไว้ท่ามกลางแสงสีขาวปรากฏเป็นยอดเขาโผล่ขึ้นมาตรงกลางข้าพเจ้าพยายาม ร, รวบรวมความกล้าขอให้ตอบปัญหาของข้าพเจ้าซึ่งอันที่จริงก็ไม่รู้ว่าทำไปดังนั้นทําไมแต่รู้สึกว่าจะต้องทำไปดังนั้นต่อจากนั้นก็มีเสียงพูดออกมาว่าคุณแน่ใจรู้ว่าต้องการรู้จริงๆข้าพเจ้าตอบว่าแน่ใจ ก็มีเสียงถามกลับมาอีกว่าคุณแน่ใจรู้ว่ามีใจเข้มแข็งพอที่จะรู้คำตอบที่แท้จริงข้าพเจ้าตอบว่าแน่ใจต่อจากนั้นก็คอยอยู่พักใหญ่กว่าเสียงนั้นจะพูดออกมาอีกว่าจงถามคุณพ่อของคุณถึงเรื่องความลับอันยิ่งใหญ่นี้ข้าพเจ้าถามว่ามันหมายความว่ายอย่างไรกันแน่แต่ตอนนั้นก็พอดีมีใครคนหนึ่งในบ้านเดินขึ้นบันไดามา และเปิดไฟในห้องโถงสว่างขึ้นพอมีเสียงสับสวิตไฟดังกริก๊กลาแสงนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแม้ว่าข้าพเจ้าจะพยายามไม่คงอยู่สักเท่าไหรก็ไม่เป็นผลสาเร็จในที่สุดหมู่แมฆที่ปรากฏอยู่ก็กลายเป็นสีเทาและกลับเป็นความมืดมิดไปตามเดิมข้าพเจ้าจึงลืมตาขึ้นน่าสังเกตว่าในระหว่างนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนสภาวะของจิตจากการเห็นนิมิตเป็นความหลับ เป็นความตื่นขึ้นในระยะต่อมาเลยเพราะปรากฏว่าข้าพเจ้ารู้สึกตัวอยู่ในสภาวะตื่นตลอดเวลามันเป็นประสบการณ์ที่ให้ความประทับใจอยู่เหมือนกันแต่จะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกเนื้อเหมือนดังเรื่องอื่นๆก็คงจะไม่ถูกต้องนักข้าพเจ้าได้พยายามสอบสวนประสบการณ์จากสองทางด้วยกันประการแรก ได้พยายามเพื่อให้เกิดประสบการณ์นี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่บังเกิดผลประการที่สองได้เขียนจดหมายไปถึงบีดาของข้าพเจ้าซึ่งตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่และก็กาลังสนใจในเรื่องนี้อยู่ด้วยข้าพเจ้าลองถามปัญหาท่านโดยไม่ได้บอกแหล่งที่มาแต่จดหมายตอบที่ได้ก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างเพราะท่านเขียนตอบมาว่าคาถามดังกล่าวนั้น สามารถตอบได้ถึงห้าสิบอย่างและท่านได้ถามว่าจะต้องการคำตอบข้อไหนกันแน่เป็นอันว่าบิดาคนนี้ของข้าพเจ้ายังให้ความสว่างไม่ได้นากลเห็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากท่านบิดาอีกคนหนึ่งเสียแล้วหวันที่สิบห้ามีนาคมหนึ่งเก้าห้า้าบังคืน เพื่อจะติดตามเรื่องต่อไปอีกข้าพเจ้าได้นอนลงใช้วิธีแบบผ่อนคลายความตึงเครียดพร้อมกับนึกในใจซ้ําๆว่าคุณพ่อช่วยข้าพเจ้าด้วยคุณพ่อช่วยบอกความลับอันยิ่งใหญ่ให้ข้าพเจ้าด้วยต่อมาอีกหลายนาทีก็เกิดความมืดวูบขึ้นมาและต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวว่าไปยืนอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่มีเพดานสูงมาก ข้าพเจ้าเดินออกจากบ้านนั้นและเดินข้ามยกพื้นแห่งหนึ่งไปยังเครื่องลำเลียงอะไรอย่างหนึ่งคล้ายๆกับจะเป็นรถไฟฉะนั้นแต่เราก็หยุดและหันกลับเพราะปรากฏว่ามีเสียงรคนหนึ่งเรียกทันใดนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งผิวค่อนข้างคล้ำแต่งกายด้วยเครื่องชุดยาวเยื้ตรงดูเหมือนจะเป็นเสื้อคลุมได้มายืนอยู่ข้างๆข้าพเจ้าความรู้สึกของข้าพเจ้าบอกขึ้นมาในขณะนั้นว่า เธอเป็นชาวนิโกรรูปร่างเล็กๆมีผมเหยียดตรงสีคล้ำและมีเป็นปอยหรือต่นผมตัดเป็นเส้นตรงปกหน้าผากตอนที่นึกย้อนหลังไปนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเธออาจจะเป็นชาวตะวันออกกลางหรือชาวอียิปต์ก็ได้แต่คงไม่ใช่ชาวตะวันออกไกลเพราะลักษณะในตาของเธอไม่เหมือนชาวตะวันออกที่แท้จริงเธอบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าทำผิดไปบางอย่างเสียแล้ว ซึ่งหมายความว่าเป็นการผิดระเบียบมากกว่าที่จะเป็นความชั่วข้าพเจ้าถามเธอว่าเรื่องอะไรเธอก็ตอบว่าเราจะบอกให้ทราบจากนั้นเราก็ออกเดินไปด้วยกันเหลียวหัวมุมตึกหลังใหญ่แห่งหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปที่สนามหญ้ามีทางปูลาดไว้ตอนนี้เราก็หยุดแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ดูคล้ายๆกับว่าเรากาลังดูภาพยนตร์สีธรรมชาติสามมิติ โดยมีภาพขนาดเท่าตัวคนจริงฉะนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งถ้าทางเป็นคนมีอำนาจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งยืนอยู่ทางซ้ายมือทางขวามีเด็กหญิงผมดำคนหนึ่งอายุประมาณ12หรือ13ปีนอนอยู่กลางลานด้านซ้ายมือมองดูคล้ายๆกับว่าจะถูกมัดหรือไม่ก็อยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้ มีข้าพเจ้าที่นั่นคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มคนที่ยืนอยู่นั้นด้วยโดยกำลังยืนอยู่ใกล้เด็กหญิงคนนั้นและมองดูเธออยู่หน้าประหลาดที่ข้าพเจ้าที่นี่สามารถเข้าไปเห็นสภาพทางอารมณ์ของข้าพเจ้าที่นั่นได้เป็นอย่างดีและยังรู้อีกด้วยว่าข้าพเจ้าที่นั่นกำลังจะทำอะไรกับเด็กหญิงคนนั้นกลุ่มชายท่าทามีอำนาจได้บอกกับข้าพเจ้าที่นั่น ว่าให้ประกอบพิธีบางอย่างคล้ายกับว่าจะเป็นพิธีทางศาสนาแก่เด็กหญิงคนนั้นเป็นพิธีที่จะทําให้เกิดอันตรายแก่เด็กหญิงนั้นแต่ข้าพเจ้าที่นั่นคิดอยู่ในใจว่าไม่ควรที่ตนจะกระทําดังนั้นและเด็กหญิงก็วิงวอนขอร้องไม่ให้ทําด้วยจึงพยายามปฏิเสธแต่กลุ่มคนที่ยืนอยู่นั้นดูท่าทางไม่สนใจหรือมีความรู้สึกกับสภาพของเด็กหญิงเลย แม่ว่าเธอจะกำลังร้องไห้สะอึกสะอือนอยู่ก็ตามพวกนั้นกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าที่นั่นจะไม่ประกอบพิธีกรรมนั้นแก่เธอก็จะต้องมีคนอื่นมาทําแทนอยู่ดีเพราะไม่ช้าคนอื่นๆที่กล่าวถึงนั้นก็จะเดินทางมาถึงเขาได้กล่าวต่อไปว่าถ้าข้าพเจ้าที่นั่นลงมือทําพิธีนั้นแก่เด็กหญิงเสเองก็จะเป็นการดีกว่าให้คนอื่นทาเพราะมันจะเป็นอันตรายแก่เธอน้อยกว่า ดังนั้นทั้งๆ ท, ที่ไม่เต็มใจข้าพเจ้าที่นั่นก็ต้องจำใจประกอบพิธีกรรมตามคำสั่งของบุคคลกลุ่มนั้นต่อมาอีกครู่หนึ่งหญิงคนที่พาข้าพเจ้ามาดูเหตุการณ์นี้ก็พาข้าพเจ้าออกมาจากบริเวณนั้นแล้วเราก็เดินกลับมายังที่ยกพื้นที่เคยยืนอยู่เดิมอีกครั้งหนึ่งน่าสังเกตว่าพอข้าพเจ้าหันหลังกลับเพื่อออกมาจากบริเวณที่เกิดเหตุนั้น ก็รู้สึกว่าการติดต่อหรือสัมพันธ์ทางใจกับขพเจ้าที่นั่นก็ขาดตอนลงทันทีหญิงผู้นั้นถามขพเจ้าว่าเป็นไงตอนเนี้ยเธอเข้าใจแล้วหรือยังหญิงผู้นั้นถามขพเจ้าตอบไปอย่างงงงเต็มทีว่าขพเจ้ายังไม่เข้าใจอะไรเลยปรากฏว่าหญิงคนนั้นหันมามองขพเจ้าอย่างเศร้าสลดแล้วก็เดินออกไปจากที่นั้น เป็นนันว่าเหลือข้าพเจ้าอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่ทราบว่าจะทําอะไรดีข้าพเจ้าจึงนึกถึงกายเนื้อเพื่อคิดว่าจะกลับเสียทีแต่ก็แปลกที่คราวนี้กว่าจะกลับมาเข้าร่างได้ต้องเสียเวลาไปนานหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้คิดถึงเรื่องนี้มาเป็นเวลานานก็นึกไม่ออกว่าหญิงผู้นั้นคือใครและความลับอันยิ่งใหญ่นั้นคืออะไรกันแน่ เมื่อคิดคิดไปถึงประวัติความเป็นมาของตนเองในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกชักจะเริ่มรู้อะไรขึ้นมาบ้างแล้ว 6. วันที่18สิงหาคมหนึ่งตอนบ่ายเกิดมีเรื่องมือและหนังสืออีกแล้วคราวนี้เกิดขึ้นในที่ทำงาน ตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงกำลังฝนตกอากาศชุ่มชื้นข้าพเจ้าบันทึกเรื่องอากาศนี้ไว้คิดว่าเผื่อมันอาจจะมีส่วนประกอบการพิจารณาบ้างความสั่นสะเทือนมาแล้วแต่ข้าพเจ้าตอนนี้ก็ยังรู้สึกตัวอยู่ในสภาวะตื่นลองพิสูจน์ให้แน่ใจโดยลืมตาและหลับตาของกายเนื้อห ล, หลายครั้งแล้วก็มองดูนาฬิกาด้วยเวลาผ่านไปตามสมควร รันแล้วมือที่เคยเห็นนั้นก็เอาหนังสือมาจ่อไว้ที่ในตาของข้าพเจ้าซึ่งกําลังหลับอยู่มีการหมุนหนังสือกลับไปกลับมาพร้อมกับใช้ในิ้วหัวแม่มือรูดหน้ากระดาษของหนังสือนั้นให้ดูด้วยทั้งนี้พอจะเดาได้ว่าเจ้าของมือคองประสงค์จะให้ข้าพเจ้าเห็นและแน่ใจว่าเป็นหนังสือนั่นเองพอข้าพเจ้าคิดในใจว่าหนังสือนี้ชื่ออะไรมือนั้นก็หันข้างที่มีชื่อมาให้ดู แต่ตัวหนังสือออกจะเล็กเกินไปหรือข้าพเจ้าอาจจะเป็นคนสายตายาวก็ได้เลยอ่านไม่ออกพยายามเท่าไหร่ก็อ่านไม่ได้ในที่สุดก็เลยเลิกคิดอ่านชื่อหนังสือต่อจากนั้นหนังสือก็ถูกเปิดออกปรากฏว่าเป็นตัวพิมพ์อยู่บนหน้าทั้งสองข้างพยายามอ่านแต่ก็ไม่ออกอีกเพราะมันอยู่ไม่ได้กับระยะโฟกัสในตาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงนึกในใจว่า ถ้าพยายามอ่านไปทีละตัวหรือทีละคำอาจจะพออ่านได้เรื่องกระมังพอนืกอเสษตัวหนังสือก็กระโดดกลุงมออกมาจากบรรทัดทำให้ข้าพเจ้าเห็นได้ถนัดในขณะที่มันเดินเรียงแถวผ่านไปข้าพเจ้าพยายามสะกดตัวอยู่หลายครั้งด้วยความอดทนและยากลำบากเพราะต้องอ่านทีละตัวก็ได้ความมาสีคคำว่าจงกระตุ้นผู้ที่ยังไม่มีความสุขโดย ถ้าพระเจ้าพยายามอ่านต่ออีกแต่อาจจะเป็นเพราะตั้งใจมากเกินไปเพราะรู้สึกมันยากขึ้นทุกทีเลยไม่ได้ความท่นใดนั้นก็บังเอิญเหลือไปเห็นแม่กลุ่มใหญ่บนท้องฟ้าเข้าเลยทำให้ใจเขวตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วอากาศก็แจ่มใสขึ้นเลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลว่าถ้าออกไปเหินลมเล่นในท้องฟ้ามองดูภูเขาและหุบเขาต่างเล่นคงจะดีเป็นแน่ทีเดียว กิจเสร็จก็รู้สึกว่าตัวลอยขึ้นอย่างช้าๆตามความคิดเหมือนกันมือนั้นปิดหนังสือแล้วก็เอาหนังสือออกไปตอนนั้นข้าพเจ้าเกิดความนึกคิดอย่างกบขันต่อตัวเองขึ้นมาโดยคิดว่าเจ้าของมือนั้นก็คงจะคิดว่าตามใจเธออย่าสนุกก็ลองไปเหินลมเล่นดูสักพักก็ได้มันคงจะเป็นทานองครูสอนเด็กนั่นเองเพราะบางทีครูเห็นเด็กกาลังฟุ่งซ่าน อยากจะออกไปวิ่งเล่นเต็มแก่ก็ต้องยอมตามโดยหยุดสอนสักพักหนึ่งเรารู้ดีว่าขืนสอนต่อไปเด็กก็คงไม่เป็นอันเรียนแน่ข้าพเจ้าพุ่งตัวออกไปทางหน้าต่างเหินขึ้นไปบนอากาศเล่นสนุกกับปุยเมฆเสียพักใหญ่จนจุใจแล้วจึงกลับมาโดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอย่างไรน่าสังเกตเมื่อข้าพเจ้ากลับมาเข้ากายเนื้อแล้วเงยขึ้นไปมองดูข้างบน ก็ยังเห็นปุยเมฆเหล่านั้นอยู่บนท้องฟ้าดังเดิมแบบเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้เห็นมันเมื่อครู่นี้เองเมื่อไหร่หนอท่านผู้มีอุปการะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงจะแสดงตัวออกมาให้ที่รู้จักซสียีเมื่อถึงวันนั้นคงจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นใจไม่ใช่น้อย